วิสัชนาค่กับท่านโงตานาลครับคีนาเลโยตอนทิกฤติจากการเก็บขวดมาเป็นโอกาสของการภาวนาตอนที่สองเออถ้าถ้าเราตักรู้ข้างหน้ามัเมื่อไรลูเราจะกลายปเป็นวิญเป็นสั่งหน้าอีกทิศอย่างเดีวหรืเป็นร่วมไปเลยเอารู้เนี่ ย, ปยเป็นรวมหั่หน้ากลายเปทนี้เข้าไป กินเข้าไปในบทหรือแม้ดูหนังดูละครแล้วอินเป็นมีอารมณ์ร่วบแล้วกลายเป็นคนบ้าไปแม่เอกเป็นเอกตายแล้วร้องโหยร้องไห้เพ้อไป mm hmm. อนั้ถ้าเรารูซ้ซะลูกขันห้าซะมันก็กลายเป็นรู้ลูกขันห้าก็กลายเป็นรู้เลยไปเพราะฉะนั hmm. ้นตาเราเห็นตาอยู่ดนเสี๋ยง ต, ตาอยู่ขันห้ามันคิดอะไรอยู่ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยใช่ใช่ใช่โดยเห็นวุ่นเห็นวุ่นอย่างนี้เห็นวุ่นอย่างนี้โดยใช่เรืองวิบปาวิจารย์หรือไม่เห็นด้วยอลไรก็ตามแล้วแต่ว่ามันจะคิดอะไรถ้าก็รู้รู้แล้วค่ไงรู้แล้วก็คุณสมบัติของไอ้ธาตรู้เนี่ยมันก็คือรู้สัตวารู้คือมันเนี่ยแค่แต่รู้มันก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้อะไรกหน้าคิดอะไรได้แค่รู้ถ้าเราฝูดอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นธาตรู้เพราะว่าให้ธาตรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้ มันได้แต่รู้รู you know. them, ้อะไรก็ต้องมารู้คิดถ้าไม่รู้คิดเนี่ยมันก็กลายเป็นคนคิดแต่ถ้ามารู้คิดซะมันก็ไม่ต้องคิดมันก็จะเป็นคนคิดมันก็ได้แต่รู้คิดแล้วไอ้คิดเนี่ยไอ้ขันห้ามแบบคิดคิดคคแต่รู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้ขันหน้าขันหน้าขันหน้าขันหน้าแต่ถ้าเราไม่รู้กันหน้าเราก็คิดเองทั้งวันเราก็มีอารมณ์ร่วมทั้งวันแต่ถ้าเรารู้อะเราคิดมันก็กลายเป็นรู้คิดรู้คิดรู้คิดรู้ทั้งวันเน่ะแล้วก็ทาเรารู้เราไม่ได้ไปทาอะไรกับไม่มีไม่มีอารมณ์ร่ว แล้ก็ได้แต่รู้ไม่มีอารมณ์ร่วมกับความคิดก็ได้แต่รู้แล้วเราก็ไม่ไปแทรกแซงไม่ให้คิดไม่พยายามไปทำลายความคิดแต่แต่รู้คิดรู้แล้วก็ฝึกให้สัจธรรมรู้คือไม่ไม่ไปขัดไม่ไม่ไม่ปห้ามใหมนคิดแล้วก็ไม่ไปมีอารมณ์ร่วมกับความคิดคือไม่อินไปเหมืดูหนังละครแล้วอินไปน้ำตาไหลไปไปไม่พอใจพอใจไม่พอใจไปตามไปตามละครเราก็ได้แต่รู้รู้รู้รู้รู้มันคิดอะไรเราไม่ไปเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับมันแล้วก็ได้แต่รู้แล้วไม่ก็ไปแทรกแซง มันก็จะการเป็นธาตุรู้ต่อธรรมชาติมันก็การธาตุรู้ต่อธรรมชาติมันใช้ตอนไหนมันใช้ตอนตายนี่ตอนจะตายนี่แหละไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนจะตายเนี่ยไฟธาตุมันจะแตกมันทรมานแสนสาหัสตอนนั้นเนี่ยมันมันทรมานสุดๆเลยมันก็เหลือแต่รู้แต่ถ้ายังอยู่ในขั้นบริกรรมอย่างที่หลวว่าที่หลวงฝึกบริกรรมผู้โชกผู้โชกผู้โชกผู้โชกผู้โชกไปอันดีอนดีอันนี้ดี หรือว่าปรุงบริกรมผู้โทผู้โทผู้โทไปแต่ตอนมันจะตายเนี่ยแต่ตอนมันจะตายเนี่ยตอนที่มันจะตายไฟภาพมันแตกเนี่ยในขั้นบริกรรมเนี่ยมันจะช่วยได้ยากเพราะตอนนั้นเนะี่ยไฟภาพมันจะแตกมันทรมารเจ็บปวดแสนสาหาัสแล้วไหนจะยังมี พวกที่เป็นเจ้ากรรมในเรนันสร้างภาพมันนอนนี่มันยังต้องเพอไปตามเองภาพที่มันรอนนี่ยังห่วงใยพรอบครัวห่วงใยสรัพย์สมบัติเราจะต้องห่วงใยัวตายร่างกายเราจะตายมันก็เลยหลายอย่างประเดยประดังที่ตอนหนั้นระสติแตกเป็นบ้าเป็นหลังมันมีหรอกไอ้ตอนไหยนั้นน่ะมันจะพุดโธพุโทโธก็ยังยากเพราะว่าภาพฐานมันจะแตกมันทรมาน กำลังแค่ภาวนาพุทโธอย่างเดียวยังเอาไม่อยู่อืยแต่ก็จะดีกว่าไม่มีอะไรเกาะเขี่ยวถ้าไม่มีอะไรเกาะเขี่ยวเนี่ยมันเป็นว่าเป็นหลังจริงๆแต่ถ้ามันภาวนาไว้เนี่ยมันก็ยัพอช่วยได้พอตอนไฟธาตุจะแตกเนี่ยมันก็ไป่ใครได้แล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยไฟธาตุมันจะสงบลงคือมันแตกก็จะหมดแล้วแต่มันยังไม่ตายคือไฟธาตุมันแตกแล้ว แต่คนป่วยเนี่ยเวลาเรา baptism, ดูหนังเนี่เราก็จะเห็นว่าเวลาพยาบาลหรือหรือนั่นอ่ะหมอเขไปพูดกันว่าคนไข้ไม่ตอบคนไข่รายนี้ไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษาไม่ตอบสนองต่อยาไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดแล้วถ้าเ้าบอกว่าคนไข้เนี่ยไม่ตอบสนองต่อต่อความเจ็บปวดอะไรทั้งหมดแล้วตอบสนองต่อยาแล้วน่าจะจะตายแล้วเพราะว่า ไฟธาตมันแตกหมดแล้วไม่ตอบสนองอะไรเล้วมันเจ็บไปปวดไปอะไรแล้วมันจะไม่นานอยู่ตรงนั้นไม่นานอีกไม่กี่นาทีคนไข้ก็จะตายแล้วัน เ, ออ เ, ออเป็นอย่างเงี้ยมาหลายคนตรแล้าตาเราเนี่ยกนจะตายเนี่ยพอมันไฟธาตแตกมันทรมาร์โอ้โหแสงสาหัสจะยืนบุดลุกบุดนั่งบุดนอนบุดลุกบุดนั่งบุดนอนเจ็บปวดทุกทรมารร้องโอดโอยแต่ตอนไฟธาตจะแตกมันจะนอนนิ่งไฟธาตแตกเสร็จแล้วนอนนิ่งไม่ ร่างกายไม่รับรู้ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วนอวน น, น, นิ่งตอนนั้นเนี่ยทนทันแหละเพราะว่าที่ตอนไฟช้าแตกมันผู้โพลเอาไม่อยู่แหละตัวเราไม่อยู่เออไม่อยู่ต้องอยู่กับผู้รู้ใช่ไหมเอออยู่กับชานรู้มันเป็นท่าตรู้ตามธรรชาติมันเลยว่ามันไม่ต้อปรุงแต่งอะ่ะไอชาตรู้ตามธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งมาค่อยรู้ง แต่พุทโธมันต้องปรุงแต่งมาเลยปรุงแต่งไม่ไหวตอนนั้นมันสู้ความเจ็บปวดไม่ไหวไปชาติแต่ะถ้าเราไปอยู่กับยังติยังอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่เนี่ยหรือเราพยายามไปอยู่กับรู้ที่ปรุงแต่งพยายามไปรู้ไว้เนี่ยมันจะไม่เป็นการเรียกแบบรับรู้ตามธรรมชาติมันไอ้รับรู้ตามธรรมชาติไม่จำปรุงแต่งอ่เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้อยู่มันก็รู้จากตัวรู้ไม่ไมเกาะเกี่ยวโภพานรู้จากตัวรู้ไม่เกาะเกี่ยวโภพันก็เสอยไน่ใส่แล้วเกี่ยวกับทั้งทุกอย่างมันดับลงและไอ้รู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ย มันก็ได้แต่รู้ทุกอย่างได้แต่รู้อ่ะเนี่ยมีอะไรมันอะไรก็รู้หมดร่างกายเริ่มเริ่มคลายหมดภาพก็รู้เยอะรู้หมดแล้วที่สุดก็เป็นเหลือเข้าไประจุยุติจิตว่าไอ้ความรู้สึกกับความคิดเนี่ยความรู้สึกตัวกับความคิดมันเริ่มเ่มห่างออกไปค่อยๆห่างตัวเราไปเรื่อยๆห่างออกไปเหมือนกับเหมือนกับแสงสว่างเข้าบีนฝ่ายรู้เกมที่เขาพูดแ่ะหรือว่ามันเหมือนไอ้เครืบิน เคบินเนีเหมือนไอ้เครื่องบิความที่ก่อนรู้ตัวมันยังเหมือนเค่องบินอยู่ในตัวเราพอใกล้ๆจะตายมันเหมือนบินห่างตัวไปเรื่อยๆห่างตัวไปเรื่อยไอ้เคร่องบินแต่ละลำเนี่ยมัค่อยๆเหมือนม า, มาลำที่สองลำที่สามลำที่สี่ลำที่ห้ามันค่ อ, คอยๆห่างกันไปออกไปทีละลําเลยลำโดยทั้งลำสุดท้ายเนี้ยไปอยู่สุดของฟ้าหนึ่งเลยแล้วเหมือนกับเอื้อมมือไปก็ไม่ถึงเลยไกลมากเอื้อมมือไปเรียกมาก็ไม่ได้ะอะจะมีความรู้สึกว่าไอ้ความคิดเอารมความรู้สึกสุดท้ายเนี่ยความคิดความรู้สึกสุดท้ายเนี่ย คันดับเครองให้ให้ลมหาใจกเครื่องเครื่องมันอัตโนมัติเครื But, now, ่องเนาะอัตโนมัติแล้วก็ดับเครืองเครืองแล้วก็คนไข้คนคนไข้ก็จะหายหายใจยาวๆเรื่องเหมือนคนจมน้ําอ่ะเป็นทุกคนหมาก็เป็นเราเคยเห็นหมาตายต่อหน้าเราตายเราดูไปจะตจับมันตายแบบเดียวกันสุดท้ายมันจะหายใจยาวเรื่องเรื่องเหมือนคนที่จมน้ําแล้วทะลึ่งหายใจไม่ออกแล้วก็ดับแต่ละเวื่าอันนั้นเนี่ยคือ ไอ้ไอ้จิตหรือจิตหรือความรู้สึกตัวสุดท้ายเนี่ยมันดับนะมันดับไอ้ที่ก็ว่าจิตดับก็หมถึงว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยดับแต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยไม่ดับหรอกว่าเพราะว่าธาตุมันเป็นธาตุสุดท้ายมันเป็นธาตุที่สุดมันคืรู้เหมือนกับไอ้ธาตุไฟเนี่ยธาตไฟเวลามันดับหลับไปแล้วร่างกายขาดธาตุดับไอ้ธาตุไฟที่ออกจากล่างออกไปมันก็ยังร้อนอยู่ไอ้ธาตุลมเนี่ยที่ออกจากล่างออกไปมันก็ยังเป็นลมอยู่ไอ้ธาตุน้ําเนี่ย З, ที่ออกจากล่างเราไปเนี่ยคือเผาเรื่งไงน้ำเหลื่ยไปมันก็ไปเป็นน้าฝนที่กันมันตกลงมาคนทั้งหลายก็ไปกินเดี่อยู่ในล่างเราเนี่ยจากคนนี้ก็ไปอยู่ในล่างของคนอื่นได้อยู่ในล่างในร่างในล่างเราเผามันก็เป <out> ็นไปเป็นอากาศตกเป็นฝนเราคนอื่นก็ไปกินต่อไปสัตว์ก็ไปกินคนหลายไปกินก็สมบัติการชมมันเป็นสมบัติธรรมชาติการโจอยู่ในล่างคนนี้เสร็จแล้วก็ไปล่างอยู่ในร่างคนอื่นต่อไปแร่ธาตุนิน่ะมันเผาแค่ไม่กลายไปเป็นที่ดินอยู่เท่านั้นเราดูติดตอนเจ้าอากาศเปล่า ไฟเอาเ้าไฟเผาก็อย่างแรงเลยไอ้ไอ้ธาดน้ํำก็เลยไดหมดแน่ก่อนตอนเช้าไปเก็บอบอกมาจากเตาเผาดูดิมีแต่ที่เช่าเหลือแต่ธาตดินเผาไปยังไงก็เหลือแต่ธาตดินไอ้น้นํำก็เลยไปเผายังไงนอ้น้ำก็เลยไปเป็นน้ําลมมันก็ไปเป็นลมไฟก็ไปเป็นไฟลูมันก็ไปเป็นรู้เนี่ยคือไปที่สุดของมันธาคือมันไปที่สุดของมันอย่างนั้นแนอรู้มันก็กลับไปยังไงพอพารุ้มันจะเกาะ อ, อะไรยังไนะ รู้มาจับตะวันรู้ไว้สุดในทุกวันน่ยรู้ตะวัรูว้มันไม่ไปเกาะเกี่ยวอะไรมันเลยไม่มีที่ไปฝากเอาไว้วันนี้มีที่ไปฝากไว้มันก็เลยเป็นตัวของมันเองที่อิสระตัวมันเองพอทุกอย่างเนี่ยแตกพอขาดขันเนี่ยขาดขันมันแตกป่ะมันมันไปอิสระแล้วมันไม่ฝากไม่ไม่ห่วงใยตัวเองเนี่ยที่มันไปเกาะอุตส่ายในขันของเราเนี่ยทุ้กณะปัจจุบันเกาะอุตส่าห์เปเกาะที่ความคิดมันเกาะที่ความคิดคนเราทุกคนเนี่ยถ้ามันหลุดออกจากความคิดแน่แนะ มันมีจิตสำหรัในตัวมันเองคือเป็นรู้ว่าเราจะคิดอะไรตัวเราคิดอะไรตัวเราคิดอะไรสุดท้ายที่เราเกาะสุดท้ายก็คือเกาะ ค, ความคิดตัวเองอเพราะอะไรที่เราทุกข์กับทุกวันเนี้ยมันทุกข์กับความคิดไม่ได้ทุกข์กับความรู้ถ้าเรารู้เนี้ยเราเราสักตะวันรู้โดยเราไม่มีไปมีอารมณ์ร่วมไม่มีทุกข์อะไรในโลกนี้ เขาจะจับว่หลานกันสัญญาาตว์แต่ก่รู้ที่ตาหลงตามบอกว่าเกิดให้ดูว่ามันเกิดแล้วมันดับก็คือความคิดที่มันเกิดแล้วมันดับลงไปแล้วถ้าเราอยู่กับผู้รู้มากๆความคิดที่บอกว่าเกิดดับมันถี่ซึ่งก็คือรู้ว่ามันเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเร็วใช่ไหมคือถ้าเรารู้เราไม่เอาตัวผู้รู้เข้าไปร่วมคิดกับขันงห้า มันก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะดับไปเองแต่พอเรารู้ตัวว่าเราคิดความคิดมันก็จะค่อยๆดับไปอยงถูกเวลาเว ล, า, ลาปฏิบัติละคะเออที่พี่หนูพูดเนี่ยคือมันยังไม่เป็นขั้นที่สุดขั้นที่สูงสุด<ส>แต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรนจะต้องผ่านขัข้นของที่หนูพูดเนี่ย <จ plays S 1> คือกรณีที่หนูพูดเนี่ยเป็นกรณีหลงคิดเราหลงไปคิด ตอนแรกเนี่ยเราก็หลงคิดยาวๆคิดนี่จบก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดถึงคนนั้นจบก็ไปคิดถึงคนนี้คิดถึงอดีตนี่จบก็ไปคิดเรื่องนั้นเราคิดตั้งวันเนี่ยพราะเราไปฝึกปุเราก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นพอเราหลงไปนานหลงไปคิดนานเราก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นเราก็อาจจะเลิกคิดแต่เราเลิ่มคิดได้ไม่นานกเราก็ไปคิดเองใหต่อเราก็รู้ตัวเร็วขึ้นเราก็จะเลิกคิดแตนะเดี๋ยวเราก็ไปคิดเรื่องอื่นต่ออีกเราก็รู้ตัวเร็วขึ้นเราก็จะ เราก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นเราจะหลงคิดอย่างนี้ทั้งวันแล้วเราก็รู้ตัวแล้วเราก็จะเอ่การที่เราหลงคิดเผลอคิดเผลอเพือเพอจะริ่นใจคิดไปเนี่ยมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเกิดจับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับเร็วเกิดขึ้นแล้วก็จะดับเร็วคือไอ้ที่ผมว่าเกิดดับเร็วนี่คือไม่ได้ว่าอิจิติคิดหรอกความหลงหลงไปคิดคือหลงอะเผลอไปเป็นคนคิดเองเผลอไปเป็นคนคิดคือไปเป็นคนคิดเองหลงไปคิด หลงไปคิดหลงมันเป็นขันห้าหลงคิดไปพอหลงคิดไปรู้ตัวปุ๊บให้ความหลงคิดเกิดพอรู้ตัวความหลงคิดก็ดับมันไม่ใช่ติดติดคิดเกิดดับหรอกคือความหลงหลงคิดหลงคิดไปแล้วก็หลงคิดโน้นหลงคิดนี่หลงคิดนั่นพอรู้ตัวปุ๊บความหลงก็ดับเดี๋ยวก็หลงคิดหมาอีกพอรู้ตัวความหลงมันก็ดับทีนี้ความหลงมันจะสั้นก็พอมันหลงพุ๊บกรู้ตัว แล้วมันก็ดับลงเพอหลวงจะไปคิดอะไรปุ๊บมันก็รู้ตัวแล้วก็ดับลงพอหลงไปคิดอะไรปุ๊บรู้ตัวมันก็ดับลงความหลงเนี่ยมันสั้นเท่าไม่ใช่ว่าความคิดมันเกิดดับคือความหลงเนี่ยมันจะสั้นคือไม่หลงแต่เมื่อเราไม่หลงแล้วเนี่ยมันก็ยังคิดอาทิตย์นี้เราไม่หลงเราไม่หลงคิดเลยเราอยู่กับรู้อยู่กับความรู้ตัวอยู่อยู่กับความรู้ตัวแต่ไม่ใช่จิดใหคิดนะขันห้ามยังไม่ตายไงขันห้ามก็คิดไอ้รุ่นเป็นทาสใช่ไหม แต่ขันห้าเนี่ยมันก็ยาง Aquí, คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด้มาเนะแต่ตอนนี้เราไม่ลงแล้วกลายเป็นผู้รู้แต่ขันห้ามันก็คิดทั้งวันแต่มันไม่ได so ้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเราเนี่ยเอาตัวเราไปคิดแต่นี้เรารู้อยู่แต่มันคิดทั้งวันไอ้คิดเนี่ยมันไม่มีสั้นไม่มียาวหรอกมันจะคิดยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยเพราะเป็นรู้อย่างเดียวมันไม่มีเห็น เห็นความคิดเกิดเร็วดับเร็วเห็นความคิดเกิดเร็วดับดเร็วหรือตอบกัแล้วมันเป็นแต่รู้และมันไม่สนใจแล้วว่าจิตเนี่ยมันจะเกิดดับเกิดดับเพราะว่ามันก็คิดนันคี้คิดนั้นคิดมันก็เคลื่อนไหวแต่ไอ้รู้เนี้ยไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะว่ามันเป็นธาตรู้ที่ในปรากฏการเคลื่อนไหวไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่ไอ้อะไรมันจะเคลื่อนไหวในโลกนี้ไม่มีความหมายต่อใจมันไม่ไปสนใจจิตที่เกิดดับเลยเหมือนเหมือนกับว่าคนทั้งหลายที่มานั่งกันใที่แนี้มีทั้งผูหญิงผู้ชาย ก็รู้อยู่ว่าคนทั้งหลายที่มานั่งในใ น, ในที่นี้มีแต่ผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดเลยแต่ทั้งผู้หญิงผู้ชายในที่นี้ไม่มีความหมายต่อใจนนั่แน่ๆคือชาตรู้ที่ศักดิ์ในารู้เพราะว่ารู้เนี่ยมันรู้อย่างธรรมชาติที่ไม่มีความหมายต่อมันเพราะว่ามันเป็นชาตรู้มันเป็นชาติรู้ตามธรรมชาติจึงไม่มีอะไรมีความหมายต่อมันมันได้แต่รู้แต่ถ้ารูปเสียงกินรสผลสะพะสิ่งที่มากระทบกายหรือเรื่องราวที่เราคิดไป หรือว่าไอเวทนาเนี่ยเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุเป็นทุกข์มันมีอิสิปนต์ต่อต่อรู้อันเนี้ยเลือกไม่ใช่ละเป็นห ล, ลงเพราะว่าขาดรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไงมันไม่ยินหลงก็ใครกันล่ะแต่ยินหลงเนี่ยมันคือกินเลสคนเห็นรูปหลงรูปได้ยินเสียงหลงเสียงได้กลิ่นหลงกลิ่นทอนกินอะไรก็หลงรสทอนสัมผัสร่างกายก็หลงสัมผัส ควมมีความคิดอะไรก็หลงไปอารมณ์มันก็เป็นคิดเป็นปรุงไงไม่เป็นรู้แต่ถ้ามันรู้เนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่หลงไปกับอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคิดหรือมันจะเห็นมันจะได้ยินอะไรทุกอย่างไม่มีที่บนสัดใจได้แต่รู้รู้เนี่ยมันไม่เคยไปจ้องเลยนะเหมือนกันเนี่ยถ้ามาเห็นคนทุกคนตั้งในที่นี้ยถ้าไม่เคยต้องไปจ้องคนทุกคนในที่นี้เลย คนในที่นี้ทุกคนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายท่านไปเจ้ามานั่งเพ่งจ้องเขานั่งเพ่งจ้องหน้าเขาอย่างนี้นะไปไปไหนเดี๋วเพ่งจ้องหน้าเอาถ้าก็ไม่เคยทําแต่ท่านรู้ทุกคนในที่เี้มานั่มันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยมานั่งอย่างนี้ยท่านไม่ไปเพ่งจ้องดูเ้าเนี่ยแต่เพ่งจ้องหน้าเขาเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามีคนนั่งอยู่ที่นี้รู้เนี่ยอย่ารูุ้งตาพูดอย่างเนี้ยลุงตาก็ไปท่านก็ไปต้องมานั่งเพ่งจ้องรู้ตาแต่ท่านจะรู้อ่ะลูกตานั่งอยู่ที่ เวลาสลาพูเนี่ยถ้าตกเพ่งจ้องเสียงไหมก็ไม่ก้องแต่ถ้าก็รู้เสียงนี่มันคือธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันรู้ดังนั้นเนี่ยในจิตใจของเราเวลาเรามีความรู้สึกมาคอารมณ์อะไรเนี่ยมันก็ต้องรู้ของมันโดยธรรมชาติของมันเแหละเพราะมันเป็นรู้โดยธรรมชาติเวลามันคิดมันก็รู้ว่าคิดอะไรมันก็รู้คิดอะไรมันไม่ต้องมันต้องจ้องเพลงมาหรอกเส้นเนี่ยรู้ว่ามันคิดอะไรก็รู้ใจสบายก็รู้ไม่สบายก็รู้ มันคิดแบบกุศลก็รู้คิดอกุศลก็รู้คิดอาคุศลก็รู้มันจะรู้มันไปนอย่างนี้แหละาธรรมชาติแต่ไม่ว่ามันจะรู้อะไรไม่มีความหมายต่อมันไม่มีความหมายต่อรู้แต่ทุกอย่างเนี้ยที่ไปไปรู้เข้าแล้วไม่มีอิทธิพลต่อรู้ไม่ว่าจะดีจะชั่วจะเป็นกุศลหอกุศลไม่มีอิทธิพลต่อรู้รู้แน่ๆเพราะจางเรียกวันใจ ไม่มีที่พลดต่อใจหรือไม่มีที่พลดต่อวิญญาณหรือไม่มีที่พลดต่อมโนหรือไม่มีที่พลดต่อธรรมธาตุหรือทีญญ unfair, ่พานธาตุแล้วแต่เราจะสมมติชื่อกันบางทีก็เรียกพุทธะเอยพุทธะเพราะพุทธะแต่ว่ารู้ไงมันก็เลยถ้ามันรู้ในธรรมชาติมันจึงไม่มีอะไรอยู่ที่พลดต่อมาเพราะว่ามันเป็นการรู้โดยธรรมชาติมันจึงไม่มีส่วนได้เสียมันรู้แล้วมันไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียมันเลยได้แต่ร to ู้เพราะมันเป็นรู้ตามธรรมชาติมันเลยไม่ไม่มีส่วนได้เสียกับใครเพราะว่ามันเป็นรู้ตามธรรมชาติ แต่ถ้ารู้เป็นเรานะ <tim. ü! S 1> รู้เป็นเรานะถ้ า, ult, ถ, าถูกใจเราเราชอบถ้าไปถูกใจเราเนี่ยเราไม่ชอบเพราะอะไรอันนั้นเรารู้เป็ น, นเราเราเป็นคนรู้แต่ถ้ามันเป็นข้าร <OL> ู้ตอนตัวชาเนี่ยมันก็ได้แต่รู้ว่ามันไม่มีส่วนได้เสียมันไม่มีมันไม่มีจิตมีมีส่วนได้เสียอะไรเหมือนเราเป็นผู้ประสายอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปยี่นคำร้องต่อเน่ะเข้าไปยี่นคำร้องต่อใช่ไหมผู้ประสายก็เะพิยานณาว่ามีส่วนได้เสียในคดีเปล่า ถ้าคุณไม่มีส่วนได้เสียในคดีศาลก็จะยกขวามร้องคุณเข้ามาในคดีไม่ได้เพราะคุณไม่มีส่วนได้เสียเปรียบเหมือนว่านั่นแน่คือคุณไม่มีส่วนได้เสียคุณเลยเข้าไปร่วมอะไรไม่ได้งั้นถ้าคุณเข้ามีส่วนในร่วมคุณต้องมีส่วนได้เสียคุณจะเข้าไปร่วมได้งัถ้าเราคือคนเราไม่มีส่วนได้เสียเราเลยเข้าไปร่วมได้แต่ถ้าเป็นรู้ธรรมชาติมันเป็นรู้อย่างที่มันไม่มีมันไม่ใช่เป็นเราใน่รู้รู้เป็นใครมันแล้วไม่มีส่วนได้เสียเป็นธรรมชาติที่กำลับมารู้ แต่ถ้าเรารู้อะไรแล้วรู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนได้เสียคืออย่างนี้เราพอใจอย่างนี้เราไม่พอใจถ้าเราพิจารพอใจไม่พอใ จ, อ, ใจอันนี้ไม่ได้รู้เรื่องธรรมชาติเป็นเรารู้เป็นขันห้ารู้เอาขันหน้ามาคุ้งแต่งรู้เ อ, อืตอนนี้มันก็เลยมีมีตัวเราเข้าไปอยู่ร่วมถ้าเราพนะิดเจอานณาแบบนี้ไปเรื่อย แล้วอะไรที่จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้ตัวเราทราบครับผู้หลงตาว่าการปฏิบัติของเราการฝึกของเร า, ารเร า, เราเก้าวหน้าขึ้นหรือสิ่งที่เรากำลังฝึกมันผิดหรือมันถอยลงไปจากที่เราเคยทำพี่ความก้าวหน้าก็คือเราค่อยๆกลับ้ืยในเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของชาตรู้ตามปกติที่ไม่เข้าไปยึดอะไรคือความว่างใช่ไหมคะไม่ใช่ใชความว่างคือความที่รู้แล้วไม่เข้าไปยึดอะไรชาติจะไม่บอกว่าหมายเอาเป็นความว่างเขาพูดตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเอาเป้าหมายทดสอบว่างแล้วหนูจะไปความว่างคือเป้าหมายคือไมมแต่ความว่างก็ไป่ยึดคือคือใช่ค่ะตรงนี้คือเป็นปัญหาของหนูเพราะว่าคือของเดิม หนูหนูมาพบพระหลวงตาด้วยแบบหนูไม่เคยมีครูบาอาจารย์สั่งสอนเหมือนแบบหนูไม่ได้มาพบพระหลวงตาครั้งที่แล้วค่ะหนูก็นั่งแบบเหมืนเวลาหนูนั่งสมาธิหนูก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าในใจหนูมันไม่มีอะไรติดทางหนูไม่มีปัญหาทางโลกหนูไม่มีปัญหาส่วนตัวหนูไม่มีปัญหาการงานหนูรู้สึกว่าเวลาหนูนั่งสมาธิแล้หนูไม่ได้คิดถึงอะไรใจหนูว่างๆแต่พอ หนูได้มากากเพระหลวงตาหนูได้ฟังคำสอนแล้วพอหนูไปนั่งหนูก็ต้องคอยดูตัวเองตรงนี้ว่าทำให้เราไปกังวลกับความว่างกลัวว่าจะเอาใจไปปรุงแต่งให้เกิดความว่างเพราหลวงตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เวลานั่งไปแล้วว่างๆก็เลยเกิดปัญหาว่านี่มันว่างจากตัวเราจริงๆหรือว่าเรา พยายามคิดว่าให้ตัวเราว่างแต่ว่าหนูก็เคยนั่งไปนะคะพิจารณาไปจนถึงจุดหนึ่งหนูมีความรู้สึกว่าในใจหนูนมันนิ่งมันเงียบมันเหมือนกับหลวงตาให้หนูพิจารณาจากปิติใช่ไหมคะหนูหนูไม่ทราบว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าหนูอยากเลยมาเรียนถามตรงนี้ว่าหลวงตาให้หนูภาวนาโดยจากปิติใช่ไหยคะจับอารมณ์ปิติสงบสุขแล้วก็ไป อุเบกขาที่อยู่ในลึกแมื่้เราถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆหรือพิจารณาไปเรื่อยๆมันต่อให้มันจับไปกลับมาติดเราจะลึกและยิ่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ถูกไหมคะถูกไหมคะแล้วก็แล้วก็วกถ้าคือคือหนูมีครั้งหนึ่งที่หนูพิจารณาแบบนี้ไปอ่ะคะ่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่า มันนิ่งมันเงียบความเงียบที่เราสัมผัสได้เวลาเราไม่ได้คิดอะไรมันเงียบเหมือนมันเป็นความเงียบกว่าธรรมชาติในรอบตัวเราแล้วก็ก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งหนูลองนั่งหนูฟังเทศพระหลวงตาแล้วหนูก็นั่งตามเล้วมีช่วงหนึ่งที่หลวงพระหลวงตาสอนไม่ทราบว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนั้นหนูเกิดเวทนา คือแบบกดขากวดเขาหนูก็รู้สึกว่าสิ่งที่พระหลวงตากําลังอธิบายในเทปมันตรงกับหนูแล้วหนูก็นั่งพิจารณาตามไปเรื่อยเื่ซึ่งเป็นความยาวประมาณชั่วโมงในระหว่างที่หนูพิจารณาไปหนูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนหนูไม่เคยเป็นแงเนี้ค่ะแต่เป็นครั้งเดียวว่าเหมือนใครมาผักหนูลงไปแล้วเหมือนหนูอยู่ดีดีคือปกติเวลาเลื่อนจากปิไ ป, ปสงบสุข แล้วก็ไปอุเบกขาพอเราวางมันก็จะค่อยๆทิ้งตดำดิ่งลงไปใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าพอเราสงบสงบแล้วมันก็ตกวูกลงไปแล้วเราก็นิ่งอยู่แบบนั้นนะคะแต่ว่าหนูไม่ไม่สามารถจะแบบอยู่ได้อยู่ได้เป็นเวลานานเหมือนกับว่าหนูก็ฟังจนหบดเทศพร้าหลวงตาจงอะแล้วก็เหมือนพอเวทนาเกิดหนูก็เลยแบบถอนออกมา อยากเรียนถามว่าอันนี้คือเป็นอารมณ์ของการพิจารณาหรือภาวนาตามปกติหรือค่ะเรากําลังเชืพิจารณาดูว่าเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างเดียวหรือประโยชน์ต่อโลกด้วยบางครั้งเราอธิบายผู้เรียนมากเป็นไปคนทั้งหลายที่ทําให้เต็มก็จะเป็นเรียนแบบทําตามในการสอนถึงเวลาทุกทรัง้งคือต้อง พินายรอบข้อก็เป็นประโยชน์ส่วนเราก็เป็นประโยชน์ต่อโลกแล้วก็จะพูดแต่บางทีเนี่ยคนเห็นเราทําเป็นแล้วคนอือทําไม่เป็นพอเราพูดเขาก็ไปทําตามแล้เขาเนี่ยไม่ได้เดินทางสายนี้เวลาเลยพูดเราต้องพูดยาวบางทีเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความเป็นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพบชาติที่เป็นมาเนี่ยมันสลับซ้อนอย่างคนเนี่ยที่จะทำเป็นสภาวะ ที่เรียงก็หลงสมาธิได้ได้อย่างของหนูเนี่ยแต่ต้องนี้หนูเนี่ยยังไม่ได้ฝึกมาก่อนเนี่ยมาเจอหลงตาแล้วก็ทําได้เลยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามันสามารถเรียงอารมณ์สมาธิได้ถึงขั้นระดับอารมณ์ฌานคือมันเรียงไปจังแสนวิกพิฌานโดยใช้เสียงของโลงตาเนี่ยเป็นเครื่องนอในการฟังธรรมะแล้วใจมันก็เลยสงบจากความฟุ้งซ่านวนวายได้ซึับก็มาอยู่ในใจของตัวเองคือกว่าสงบ แล้วิตมันก็เกิดผิดๆพอวิส่สงวิจารเนี่ยตรนระหวางวิงส่งวิจารที่เราเนี่ยเฮ้ยเขาเสียงคำมากว่าต้องตามไปคนในคาสอนเนี่ยได้เรายังวิสยย่บวิจารคือติดกองตามไปขณะที่เราติดกองตามไปเนี่นมันมีเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันหายหมดเป็นแต่ใจเราหัวาเราฟังแล้วมันใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่เลย ไอ้ที่ชาเราใช่เลยใช่เลยเราฟังโอที่สาวพูดนใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่ในที่เราเป็นเาโอู้กใจเรามากถ้กใจเมากถูกใจแลามากให้ที่เราเนี่ยวิวิจาตอนแรกว่ามังตามแบบมันไม่ฟังเราเราผิปรวมหรือถ้่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยมันเป็มเป็นหนึ่งเดียวมันเลยเกิดปิติเพราะว่าหรือมันเป็นปิติล้นเลยมันเลยวิวิจามันเลยดับไปดับไปเพราะว่าตอนแรกมันยังอย่า้เหรอโองนี้เหรอย่างนี้เหรอยังเป็นวิวิจาอยู่ แล้วยัมีเรื่องอื่นคอยแจ้งมาถ้าไวเรื่องอื่นหายหมดเลยมันเหลือเรื่องเดียวได้เรื่องเดียวนี่เรื่องที่กำลังฟังอยู่เนี่มันก็ไม่รีบรอกษาไปมันเลยแบบโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยมันมาเป็นหนึ่งเดียวที่ใจมันก็เลยมาพิจารณาไปในระดับก่อนเขาเรียกว่ามันเข้าพอพิจารณาดับไปแล้วก็เรียกว่าเข้าสู่สมาธิระดับที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเรียกว่าฌานหรือเรียกว่าพระธรรมฌานมันก็เกิดชีวิตจากปลาตัว มันก็จิตใจมันเปิดฟ้านี่จะทีดมันเบิกฟ้ามันซาบซ่านผลลุ้มลื่นเวราะผลล้ม่าตัวซาบ่านเบิกฟานะใช่เลยใช่เลยหมันมันจิตมันผ่องใสมากเลยมันเกิดปีจีเรียกว่าทุกียาารมันปีีอย่าวะเนี่ยเว็แล้วพอมันปิจีนานๆเข้าปีจีนั่นเนี่ย มุนกสุชาติศาสตกสุาติศสตร์สุชานิศาส์ุาตาสตร์สุชาติสต่ทุกสุชาตาสตร์สาติศาสตเนี่ยมันก็มันทุกอย่างมันตกตึกตายกว่าอนิจังทุกั้งตามันีส่งใดเที่ยงไม่มีสิ่งใดอะไม่มีสิ่งใดเที่ยงเลยว่าอดิจังไม่มีสิ่งใดสร้างอยู่คงคนอยสภาพนั้นตลอดไปเรียกว่าทุกคังแล้วก็จะบังคับให้บันเนยคงคนไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้มันเป็นเพราะมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับของเราทุกสัตวสิบไมเลยต้องเปลี่ยนแปลงไป พี่จนั่นมาสู้ซาซาซาตามกำลังขอกมันเพราะมันเต็มอิ่นรถเต็มที่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราขึ้นสูงยอดเขาสูงสุดของปีติเนี่ยทางไฟต่อมันไม่มีมันเลยปี่จีหายมืบไปค่อยๆโอ้สุขใจอิ่มใจโอ้ความสุขมากเอาการที่เราสู้ซาสู้ซาสู้ซาสูซาไม่ไดรบไม่เหลือแต่ความสุขใจที่เปิดใจสุขใจสุขใจมันไม่เคยเจออย่างเนี้ทั้งสุขทั้งสงบทั้งสว่างทั้งสุขทั้งสงบสว่าง มีความสุขใจอิ่มเอิบใจที่ในชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนไม่มันเป็นอย่างนี้สุกที่สุกสุดที่สุดในโลกไม่เคยเจอความสุขใจมันอย่างนี้เลยมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ้นยิงอะไรไม่ต้องอิงอะไรไม่ต้องอินสมบัติประสานภายนอกไม่ต้องอินสามีภรรยาไม่ต้องอินลูกไม่ต้องะะอินเคยอินเรื่องตแหน่งหน้าที่การงานไม่ต้องอิงอาวุใหญใหในโลก ที่เราจะต้องไปไปกวีว่าหามามันเป็นความสุขที่เกิดจากใจของเราโอ้ยุกขแทบอี่มใจทุกข์ๆๆๆยังเคยมีมาก่อนเราคิดพบความสุขกันใหม่อีกไม่ต้องไปกินสิ no. ่งใดภายนอกเมื so okay. ่อความสุขนี่มันลดอีกเหมือนกับขึ้นสู่ภูเขยอดภกเขาแห่งความสุขเนี่ยสุขไปสุขไปสุขขไปมันก็อธิจั่งทุกขังอันชาติตาอีไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นทุกขังคือคนหยุดสภาพเดินไม่ได้มันเป็นอนชาตตาที่จะประคับให้มันเนี่ยสุขเที่ยงหรืออย่างนั้นก็ไไม่ด้ เขาขึ้นสู่ยาเขาสุกุกสุกจนรถไม่ถึงยอดเขาเนี่ยมันก็เวิรความสุขที่เคยมีอยู่หายไปค่อยๆหายไปเหลือแต่ความเงียบความสงบความสนัดได้หมดแลวสว่างจ้าอยู่ท่างในก็ครับเหมือนอ่างดวงอาทิตย์พางครงเหมือน่างดวงจันทร์มันเป็นสีพาทั มีความสุขมีความสงบแต่ความสุขหายไปเหลือแต่ความสงบสงบสงัดสง่าอยู่ภายในไม่สนใจที่จะรับรู้ภายนอกจิตมันอยู <discord> ่ <brid language> ในต e e ัวของมันเองคือความสงบภายในในคัานนี้เราเบียบเหมือนกับว่าพวกที่ใส่ถังน้ำออกซิเจนระดำน้ําในทะเลพวกที่เอาน้ํา ทางน้ำประพันธที่ะเลทีก้นดำน้ำหน้ากลอนาาเนียนกกยะ็าจะดำน้ำทะเลนึกเสียงหมเขากระโดดลงจากเรือไปแล้วก็เอาปินเอาไอ้สายตีนกบเนี่กกยแบบดำลงไปก็จะลึกๆลงไปเรือเ่อยๆกมีตัวถ่วงออยถ่วงก็อย่างหนักอ่ะ ไอ s, <S oh, walker, s, ้ความเยียกความสงบแค่แล้วไค่อยเยสงบไปเยียอสงบไปเยียสไปเยียบสงบไปเยสไปแล้วที่เกิด้นมันจะเปค่อยเยียกสมบไปเนิดเกกับในภพที่ดำน้าไปอยู่ก้นทะเลลึกดื้อของมันเรายืนตรงนันเนี่ยสาอ็นี้เหมือนกันเนี่ยที่เราเรียกว่าอุเบกขาชาเนี่ยหรือเรียกว่าเจตุสสะานชาเนี่ยมันก็จะอยู่ของมันในอย่างนั้นนี่ยจนเท่าที่มันมีกำลังของมัน มันจะอยู่เงียบข้างบนไปเงียบสงบก็ไปเงียบสงบก็ไปเงียบสงบก็ไปเงียบสงบสว่างสวัยเจิดจ้าก็ไปไปไหนมันเงียบสงบสว่างสวยเจิดจ้าข้างในก็เงียบก็ไปเงียบก็ไปเงียบไปเงียบไปไอ้ความเงียบสงบนี่เปียถึงภูเขาเรียบเหมือนเกินเขาเนี่ยมันก็จะขึ้นไปถูยอดยดเขาทีขึนขึ้นไปถูขึ้นไปูนไปูข้ไปนไปูข้ไปเงียบสนไปเงียบสงบขึ้นไปเงียบสงบข้นไปประวาตเจิดจ้าเข้าไปจนปถึงสี่สุดของยอดเขามันก็เหมือน มนมที่วิธีไนะ่เนี่ยเงียบสงบยังไงก็ตามจะเป็นสงบที่สุดเลยก็ตามจนเลยอ่ะเราทิ้เลยเลยไอความเงียบสงบอ่ะมันเปความเงียบสงบส ง, บสงบัดจนกระทั่งกลายเป็นสิน่งหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติเข้าไปสู่อาลกประนประชนทั้ ง, ทงหมดทุกข่านเป็นอนิยังทุกข์ังอนาาัตตาไม่เที่ยงทุกข์ขังคือตนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้อานัตตาหรือ มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามันมอยู่ในบักขับของเราพอออา่อไว้อาจิแล้วพุกทานต้องมาฝึกต่อฝึกต่ออะไรก็ถือว่ามาฝึกต่อขั้นปัญญาขั้นสูงสุดอันนั้นมันยังใช่ใช้เป็นปกำลังของสมาธิทั้สงหมดในรูปปนะัญญาใรูปปัญามันยังไม่ได้เป็นขั้นของปัญญาขั้นสูงสุดปัญญาขั้นสูงสุดคือปัญญาที่เราที่บานอาจาปัญญาเรื่อง ให้เข้าใจตามความเป็นจริงให้เห็นเงจริงว่าเนี่ยร่างกายจิตใจของเราแต่ละคนเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุร่างกายมีธาตุสี่ธาตุธาตุเป็นของแข็งเรียกว่าธาตุสมมุติว่าดิานธาตุน้ําเป็นของเหลวสมมุติว่าเรียกว่าน้ําธาตุลมหรือพัดโบกเนี่ยสมมุติเรียกว่าล ม, แ ล, าา ม, มและวธาตุที่ทให้คมูบอนเรียกว่าไฟแล้วก็้ธาตุรู้สึกธาตุจิตใจกันที่ทําไม่ คนสัตว <right> ์ตางๆเนี so ่ยม <t ain out zers> ันม <pinpoint> ีชีิตจิตใจได้กับหรือธาตุมหรือวิญญาณนธาตุหรือธาตุจิตหรือธาตุใจหรือธาตุมโนจะเรียกว่าธาต์อะไรก็ได้เนี่ยธรรมธาตุนิานธาตุไอ้ห้าธาตุมารวมกันทำให้สัตว์และคนทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตจิตใจขึ้นต้นไม้มันมีธาตรูเลยก็เลยมีชวตจิตใจนี่มันก็ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องธาตุแล้วก็ขันอ้าที่ธาตุมารวมกันแล้วก็เป็นขันอ้า พอเป็นขนัน้าเนี่ยไอขันห้ามันมีดวงั้งตาหูทั้งร่กายใจที่มันขึ้นมาประกอบกันแล้วเราก็มาลู่อะไรสอบบาประสุนมารู่ขันห้ามาลู่ขันห้ากว่าขันห้ามันจะมีความรู้สึกเป็นที่ร่างกายเนี่ยที่มีความรู้สึกเป็นที่อารมณ์ได้ไหมเราเราก็รู้มาแต่ไม่ลงไปกับมัดไม่ยินไปกับมันไม่หลงไปใจขนั น, ขนห้น า, า, าหมง ไ, งไม่อินไปกับขันห้าทุกขณะปัจจุบันรู้ว่าขันห้ามันเป็นยังไงอยู่แต่ไม่ยินไปกับขันห้า ไม่ลงไปกับขันห้ารู้อยู่รูกขันห้าที่มันมีความรู้สึกมันคิดติดตจองผู้กระปัจจุบันไม่อินไป่กับปันไม่หลงไปกับปันแต่แต่รู้จักสวารูพฤติการเป็นต่างรู้หรือนิทานธานซึ่งเป็นรู้ไม่มีตัวตนไม่เี็นอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่มีความเคลื่อนไหวเลยแต่แต่รู้ได้รู้เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีตัวตนไม่มีปฏิกิริยาอะไรไม่มีดวงไม่มีรูปร่างทั้งไม่สว่างทั้งไม่มืดทั้งไม่ผ่องใสแล้วก็ไม่เศ้าหมองด้วย ไอ้ที่ผ่องใสแล้วก็เหมาะเป็นขันท่าไอ้ที่สว่างมืดก็เป็นขันท่าเป็นปฏิยาของขันท่าอะไรกรตางที่มันปัดกฏให้รับรู้ได้มันเปเรื่องของขันท่าที่ไปรับรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคือสภาวะธรรมที่มันปรากัด ข, ขึ้นให้รับใจรับรู้เรียกว่าทำอารมณ์ให้รับรู้ได้ทำประตูใจนั้นทำอารมณ์ก็รู้อะไรทำอารมณ์ก็คืออะไรก็คือเวทนาสัญญาสังขาร ไอพวกนามนามบคขันนี่แหละไอนามบัคขันมัก็รู้ด้วยนี่มันก็รู้ด้วยด้วยประตูใจนี่ไอประตูประตูตามันรู้รูปข้างนอกประตูหูมันรู้เสียงข้างนอกประตูจมูกมันรู้กลิ่นข้างนอกประตูลุ้นประตูนี้เยมันรู้รสชาติี่ิดเข้าไปแล้วก็ประตูกายก็ผ่านก็รู้สีงที่มาก็ผ่านกายแล้วก็ประตูใจมันก็รู้นามบคขันนามนามบัคขันเนี่ยรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารหรือรู้ทำอารมณ์รู้ภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเกิดขึ้นแลระดับไปเปลี่ยนแปลงไปในขณะปัจจุบัน คือประตูใจมันจะรู้ทำมาลุกทอาจารย์เคยบอกว่าให้อยู่กับทำที่เป็นปัจจุบั น, อ, นอยู่กับทำในปัจจุบันก็คือรู้แล้วก็มารู้รู้นทำในปัจจุบันที่ปรากฏในปัจจุบันทำมาลุกทำมารลุกที่ปรากฏต่อหน้าในปัจจุบันที่มันปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้ได้รู้ในปัจจุบันหรืว่าถ้าเราไปรู้เรื่องในอดีตเราต้องคิดไปเราต้องเชืกลอนจากความคิดมันก็จะเป็นขันห้าเอาไปเอาไปจับไปคิดถ้าเราไปอ กังวลกับอนาคตที่มันมาถึงหรือเราเพื่อฝันไปในอนาคตมันก็ต้องเอาไอ้ขั้งหน้าเนี่ยไปคิดรู้มันจริงต้องรู้ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอมีรูปผ่านมาเนี่ยใช้ตาได้เห็นตาเลยเห็นยีเสียงเกิดขึ้นหูมันจริงได้ยินไม่ใช่ว่าเราไปได้ยินเสียงไอ้ที่มันมันดับไปแล้วหรือเราไปเห็นไอ้ตาเราเห็นรูปที่มันดับไปแล้วเพราะตาเราก็ต้องเห็นรูปที่มันมาปรากฏให้ตาได้เห็น พอรูปน่านไปแล้วเราก็มองมเห็นแล้วเราก็ต้องเห็นรูปในปัจจุบันไอเสียงเหมือนกันเราก็ต้องยินเสียงในลุงตาพูดเสียงอันใหม่ของลุงตาเื่อยไปเสียงในปัจจุบันเสียงในปัจจุบันไอสงที่พูดเช้าก็ตัไปหมดลวที่เราพูดกมืเช้าเียงเขามาคันมามาคันตอนมาตัดตอนไอเสียงที่าอธิบายตอนเช้าก็ตับไปหมดลมันก็ต้องได้ยินเสียงในปัจจุบันคือมันต้องมีเสียงในปัจจุบันหูทได้ยินเสียงปัจจุบันเรื่อยไปอย่างเงี้ยเาเรียกว่าปัจจุบันนะครับ เราก็ต้องรู้รูปในปัจจุบันธรรมนั่นแหละคือธรรมอันไอ้ธรรในสภาว่าธรรมที่มาให้รับรู้ตาเต้าจมูกหรือไก่ใจเรียกว่าธรรมธรรมในปัจจุบันรูปก็ต้องรู้รูปในปัจจุบันเสียงก็ต้องรู้เสียงในปัจจุบันกินก็ต้องรู้กินในปัจจุบันที่เราได้กินลิ้นก็ต้องรู้รสในปัจจุบันที่เข้าไปไอ้รสที่กินมาตอนเช้านี่ยตอนเราไปคิดถึงมันมันก็เป็นคิดแหละมันต้องเอาสัญญาเราความคิดประมาแต่ถ้ามันเป็นปัจจุบันน่ะมันจะเป็นปัจจุบันธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมสุดต้องรู้รสใน รู้กินในปัจจุบันเห็นรูปในปัจจุบันหูได้ินเสียงในปัจจุบันรู้สิ่งที่สัมผัสกายในปัจจุบันรู้ความรู้สึกตั้งคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือสรุปแล้วทั้งหกประตูเนี่ยมันต้องรู้ที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันทั้งหกประตูตาหูจมูกจินกายใจมันต้องรู้รูปร่ากินเสียงสัมผัสรู้ทำอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันถ้ามันเลยไปแล้วมันมมมัันนนเเปออดตตาาาาคคค้งงงสญญววจิแ่ แต่ถ้าเราไปรู้เรื่องในอนาคตที่มาไม่ถึ ง, ไ ป, ง ไ, ป ไ, ป ไ, ปไปกังวลไปไปเพ้อฝันไปกับอนาคตมันจะต้องเป็นคาเป็นสัญญามี็นขอบที่นไปตีแสกแต่รู้เนี่ยที่เป็นเป็นปิบัปัจจุบันธรรมคือรู้ปัจจุบันนนคนที่ชอบเอาอไปเพ้อฝันกับหู้เมื่อวานมั น, นยังปฏิบัติสงบมากเลยอะ่ะวันนี้ทำไมมันไม่ไม่สงบเหมือนเมื่อวานอย่างเงี้ยใครนี่เรียกว่าเพ้อฝันแหละมันนี่เป็นปัจจุบันคือไม่เข้าใจว่าอนาคตเนี่ย ใช้ความคิดความปรุงสัญญาจําไบเมื่อวานเนี้ยคุณปฏิบัติสงบมากเลยแต่ตอนเนี้ยคุณบอกว่าคุณไม่สงบไอ้ที่ไม่สงบที่คุณรู้อาการของใจมันเป็นไปอย่างไรในปัจจุบันอันนั้นแหะเป็นธรรมคือธรรมในปัจจุบันที่คุณได้รู้ในปัจจุบันีริงอันนั้นแหะคือธรรมในปัจจุบันจริงแต่ธรรมคุณไม่หมายเอาว่าควาสมสงบเมื่อวานเนี้ยแล้วคุณกพยายามได้สื่อขึ้นความสงบเหมื่อวา น, าวานแล้วคุณเลยพอไม่สงบเหมือวานคุณเลยโมโหแล้วหมกมิกมากแต่แท้จริงอให้ความสงบในเมื่อวานเนี้ยคุณใช้ ต้องใช้ความจามําความคิดไปปรุงอันนั้นนไม่เป็นธําในปัจจุบันทำในปัจจุบันที่แท้จริงคือไอ้ใจคุณเนี่ยที่มีกิริยาอาการอย่างไรล่ะที่คุณเรียกมันว่าไม่สงบแต่กิริยาการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่รู้หรอว่าตัวมันเองมันไม่สงบไอ้กิริยาการในปัจจุบันเนี่ยทาที่ปรากฏในปัจจุบันให้เลยรู้ดังรู้ในตางใจที่คุณบอกว่าไม่สงบเนี่ยมันก็คือเป็นกิริยาการของมันเป็นอย่างนั้นนหละ แต่เราไมเรียกมันว่ากรณีอย่งนมันสงบ by. แต่ของเมื่อวานเนี่ยมันสงบแต่ก็คือสภาว่าอย่างไรก็ไม่รู้เป็นสภาว่าธรรมที่เกิดในขณะนั้นน่ยแต่คุณเรียกว่าดูแลน่ะมันสงบแต่ไอความสงบของเมื่อวานเนี่ยถ้ามันเป็นเมื่อวานในขณะนั้นนี่ยไอธรรมสภาว่าธรรมที่เป็นจริงในเมื่อวานในขณะปัจวัตินั้นของเมื่อวานอันนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมแท้ในปฏิวัตินนั้นแต่ธรรมแท้ในปัจจุบันนี้คือความที่คิของคุณเรียกมันว่าปัญญาการที่มันไม่สงบแต่ก็เป็นธรรมแท้จริง ถ้าคุณเนี่ยยอมรับอย่าง <Gym. S 1> ที่มันเป็นคือมันไม่สงบก็แค่รู้มันไม่สงบมันก็เป็นธรรมชาติของธาตรู้เลยเป็นการรับรู้ตามธรรมชาติของธาตรู้คือธรรมชาติของธาตรู้เนี่ยมันรู้แต่ดิงที่มันปรากฏในปัจจุบันแล้วมันจะทําอะไรไม่ได้ได้แต่รู้ถ้าคุณเนี่ยรู้จริงจิตใจที่มันสงบตามความเป็นจริงก็ได้แต่แค่แค่รับรู้รับทราบไม่ไปทําอะไรกับมันเพราะว่า มัคือธรรมชาติของการรู้ในปัจจุบันทําในปัจจุบันรู้ทําในปัจจุบันคือสิ่งที่มาปรากฏให้ใจได้รับรู้หรือปรากฏในจังตาอูจมูนลิ่งกายใจได้รับรู้ในปัจจุบันปัจจุบันและคุณก็ยอมรับมันตามสภาพตามความจริงทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันในขณะที่ได้รับรู้จังตาอูจงมุนยิ่งกายใจโดยที่แค่รับรู้รับทราบแค่รู้แค่รู้แค่รู้ไม่ได้เข้าไปคิดว่าจะต้องเป็นอย่างไนจะต้องเป็นอย่างไรไอ้อย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้ชอบมันเปจะอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนั้นม กูแค่รับรู้รับทราบแค่รู้รับทราบทุกวันปัจจุบันอย่างเงี้ยแค่รู้แค่รู้มันจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติหรือเป็นธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเป็นธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติคือมันต้องรู้อย่างธรรมชาติมันไม่ใช่รู้หแบบปรุงแต่งแต่จิตเนี่ยของขันห้ามันปรุงแต่งแต่ไอธาตุรู้เนี่ยมันรู้อย่างธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่มันไปรู้สิ่งที่ปรุงแต่งแต่ตัวมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมารู้สิ่งที่ปรุงแต่งแต่ตัวมันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเพราะมันไม่มีกิริยาการไดเลย เราจะรู้วิธีผ่านได้รู้ถึงนั่นนหะคือเมื่อรู้ถึงธาตรู้เองคือเราเนี่ยไม่ปรงแต่งจะไปรู้สิ่งปรุงแต่งเมื่อไรเนี่ยเราไม่ปรงแต่งเราเป็นรู้ที่ไม่ปรงแต่งแล้วก็ไปรู้สิงสงส่งที่ปรงแต่งแต่เราเนี่ยไม่ปรากฏตัวเราเลยไม่ปรากฏตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเรามีแต่รู้ทุกอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏอะไรเลยจะบอกว่าเรารู้ก็ผิดไม่ใช่รู้ไม่ใช่เราเป็นคนรู้คือรับรู้ทุก ขณะปัจจุบันทำตาอุจะบุรีกายใจโดยเฉพาะประตูใจธรรมอารมรับรู้ความรู้สึกนึกคิดทุกคิดในขณะปัจจุบันรู้ทุกคิดทุกความรู้สึกคิดในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นสัจตรรมรู้สัจธรรรู้สัพสัจธรรู้หรือแค่รับรู้รับทราบโดยกู้รู้ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวเลยไม่เป็นกฏอะไรเลยแม่แมคือการบรรลุนิผพานคือบรรลุนิผ่านนั่นคืออะไรบรรบลุที่เป็นเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้ ที่ไม่เคลื่อนไหไม่ปกดอะไรเลยไม่ปรากฏผู mm ้ร hmm. ู <S <s ้เลยไม่ปรากฏแต่แต่ตัวผู้รู้ปรากฏแต่สิ่งทีู่กรู้ถูกรู้รู้ในปัจจุบันปฏิบันปัจจบันปัจบันชนะด้วยไปผมชอบคำกลาวของป้าจานที่บอกว่าลูกโปงแก้วนั่นก็เลยเออพูใไปนะพูดไปแต่ผมชอบคำกล่าวของป้าจานที่บอกว่าอ่ลูกโป่งแก้วที่มันแตกออกไปรวมกับธรรมชาติเอของจักรวาลท่าละเข้าใจไหม ไหนอธิบายหน่อยนะได้ช่กัเสริมหน่อยคเราผู้คนเดียวคอยแห้งเราเอาไมมาใหม่มันโดนไมดไปพูดให้รับตอนไหนเข้าใจยังไงนพูดราฟังหน่อยดิเราพูดจะคอยแห้งแต่เช้าแล้วใชถึงตรงที่เขาพูดครับพี่เราพูดาผลจะเข้าใจมันเข้าใจยังไงอรเข้าใจวิいい่ีจะไปปฏิบัติยังไงไม่พี่ถามเรามาตั้งแต่เช้าเนี่ยตอนนี้มีคนมาตัตอนเราพมาแทรกอง แล้วที่บอกว่าที่ความเสร็จแร้วจะไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไงตอนี้รู้อย่างเราจะปฏิบัติอย่างไงเข้าจะยังอะไรจะอนนีกับมาใหเราฟังด้วยกลับไปนี้ายตอนนี้จะปฏิบัติอย่างไงเข้าใจไดี้ยังเขาจะปฏิบัติอย่างไงนักปฏิเป็นที่ต้นไปจะปฏิบัติอย่างไงและที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรอยู่รู้อย่างที่เราผู้เรียนฟังแล้วตอนนี้ต่อไปนี้จะพัฒนาจากที่เราเป็นอ่ะจะพัฒนาไปปฏิบัติอย่างไรที่เราบอกเราเมื่อเช้าเนี้ย เขอว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่เหมือนเป็นสีมาีมันมัรู้แล้วมันวูบก็ไปอะไรอย่างไรเนี่ยในันช้าเนี่ยเราเป็นอะไรอยู่เนี่ยเรารู้ไหมว่าเราเป็นอะไรอยู่อยู่ในชาตไหนแล้วพอรู้แบบนี้แล้วเราอธิบายต่อเนี่ยเราไปปฏิบัติต่อยอดได้หมอธิบายเราฟังใหม่เราจะรู้กลับไปทสิ่งต้องถูกไป้ปฏิบัติได้หรือไม่ค่ะแคแบบคือร้ใจหมัพ่ถ้าเราเข้าใจว่าตอนนี้เหมือนกับกาลังเเป็นคนต่อแล้ว้าเรารู้อย่างว่าเป็นอะไรเราควบใหมจาอะ ที่ประชาชน เ, เป็นหมายที่หมายแต่เรามันมาเป็นเป็นขั้นไหมาที่เราบอกอใช้คำหนึ่งที่เขาใช้ไม่เป็นนะเพราะเร า, าที่เราก็ใช้จดจำเขาสิค่ะก็คือเหมือนกับชานมันขึ้นไปเป็นลําดับขั้นใช่ไหมคะจากขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วพอบิบิมา ก, มากๆก็คือ ทุกอย่างก็หายไปหมดเหลือแต่ตัวเราที่เป็นไปรวมกับอากาศธาดเป็นส่วนหนึ่งของอากาศธาด่าแล้วเมื่อถึงตรงนั้นตัวเราก็ยังสามารถที่จะนึกคิดปึกตองได้แต่ถ้าเราเรารู้ว่าตัวเราสามารถนึกคิดปึกตองได้ก็คือกลับมาสู่ผู้รู้ก็คือยังมีตัวผู้รู้อยู่แล้วตัดตออกมาก็เหลือแต่ผู้รู้ก็คือพยายาม คิดเจรนาไปจนเหลือแต่ตัวผู้รู้อย่างเดียวซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเหมือนกับหัวของเล็1หนึ่งเมือ่อเมื่อมาถึงตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะอธิษฐานจิตที่จะอยู่ได้สามวันเจ็วันแต่ตรงนั้นก็ไม่เที่ยงเพราะเมื่อออกมาจากตรงนั้นเสร็จเราก็กลับมาสู่ชีวิตปกติซึ่ง ต้องกลับมามาสู่ความความทุกข์ความเป็นปกติของคนอยู่เหมือนเดิ ม, มเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิบัติต่อไปก็ต้องปฏิบัติไปต่อไปเพื่อเป็นถึงขั้นของมิภานซึ่งมีแต่ตัวผู้รู้อย่างเดียวอาจารย์ก็คือไม่เข้าไปนึกคิดตึกตองเหลือแต่ตัวผู้รู้ ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติประมาณนี้ค่ะซึ่งพอหนูฟังพรอาจารย์พูดแล้วหนูยังว่าอย่างอีกไอ้พูดตรงหลังนี่ไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่ตรงหลังเนี่ยไม่ถูกยังไงอะอธิบายอธิบายใชไหอธิบายไม่ไม่ถูกยังไงเอาเอาเนี่ยเพราะว่าพูดตอนหลังนี่ไม่ถูกตอนแรกยื่นระดับอาจาถูกหมดเลยว่าอาจะเป็น การเรียนตอนหลังเนี่ยไม่ถูกแล้วพอวิจารณญาณขันสุดนี่ถูารเรียนพระอาจารย์ว่าพอถึงเข้าถึงกําลังของพวาสมาธิไปแต่ระขั้นจนถึงเข้าถึงความว่างและปิจิภัณฑจนถึงเรียกว่าสัญญาณแล้วแล้วก็ต้องกลับมาใช้ในเรื่องของทุกอย่างจะเป็นกฎของความอนิจจังความไม่เที่ยงกําลังที่ท้าท่องากลับมาคือพิจารณาพอพิจารณาเสร็จพอเราทราบถึงธาตรู้เมื่อเราทราบถึงธาตรู้แล้วเราต้องมาพิจารณาในสิ่งของ ขันห้าทั้งยายคือรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดแต่ต้องสิ่งที่มันปรุงแต่งธาตรู้จะต้องไม่ไปไม่เอาไปปรุงแต่งกับสิ่งสิ่งตรงนั้นรับรู้รับรู้สิ่งที่มันมีการแต่งขึ้นแต่ธาตรู้จำไม่เข้าไปผูกไปผูกพันหรือหรือเข้าไปมีอาการร่วมหรืออะไรทั้งสิ้นทุกอย่างมันต้องกลับมาสู่ของของความเป็นธรรมชาติล้วนๆคือแค่สิ่งที่มีอยู่ไม่มีอาการร่วมใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าทั้งจิตวิญญาณหรือขันห้าใช่ไหมคหนูเข้าใจอย่างนั้คือรับรู้เฉพาะอาการที่รู้รู้ว่าเรารู้ว่าณปัจจุบันนี้เราคิดอะไรแต่ในสิ่งที่เราคิดก็รู้สึกแค่ว่าคิดแต่การที่ที่รู้ว่าคิดนั้นไม่มีอารมณ์ร่วมว่าเราไปก้าไปโศกเศร้าเสียใจหรือมีความหมายสัญญาจาได้อะไรทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ถูกปุงแต่งขึ้น เราต้องเข้าใจในสิ่งตรงนั้นว่าสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งนั่นคืออะไรจากธาตรู้แล้วก็รับรู้ตามสภาวะที่มันอยู่เป็นจริงของมันณนะปัจจุบันนั้นเลยไปอีกนี่เลยอีกนี่เลยไปอีกนี่เหรอค ะ, ะเลยไปอีกตรงนี้ก็เมื่อเมื่อเพื่อธาตรู้รับรู้ไปจนถึงตรงนั้นมันปัญญาในการพิจารณาทุกอย่างเพราะทุกอย่างในการพิจารณาของธาตุารู้ครับ มันจะเข้าถึงมันต้องใช้ทั้งสติสมาธิปัญญาละกำลังทุกอย่างในการที่ที่เราจะรับรู้แค่แค่สิ่งที่ที่เป็นธรรมชาติอะคะ่ะเป็นธรรมชาติของของธรรมารมธรรมารมณธรรมชาตินะัตรงนั้นคืออะไรเราก็ต้องรู้รู้เข้าไปถึงในหนูจะอธิบายยังไงอะ่ะคื อ, ค, อคือมันเป็นเหมือนว่าจิตเราเข้าไปอยู่ในถึงท่าตูดคือทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ ที่มันถูกได้กลงแต่งได้แล้วเ อ, อ่อกรรมนักก า, ารรอชการครับคืออันนี้ขอสรุปแบบตามความรู้สึกของผมนะครับในวันนี้ผมเห็นคนที่มากับรัชก า, ารรัชก า, ารย์บางคนสุกภาพให้แข็งแรงบางคนเป็นมะเรง็งบางคนป่วยด้วยโรคต่างๆนั่นสิ่งแรกที่ผมคิดไปใจก็คือ เริ่มอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นเพราะไปทํากรรมมีมเจ้ากรรมในเวรจุดเริ่มต้นของผมเริ่มจากการที่ว่าก็คือกลับไปที่ศีลห้าก่อนก็คือศีลห้าถ้าว่าเรารักษาได้เริ่มต้นก่อนโดยเพราะเข้าปัฏิบัติเนี่ยก็คือปันไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเจ้ากรรมในเวรก็จะไม่มารบกวนเราในขณะที่เราเข้าสู่สมาธิหลังจากนั้นพอผ่านท่านศีลแล้วเนี่ยศีลเราเออ่ให้มีสติรู้ว่าเราจะรักษาศีลก็คือรู้ว่าเราจะไม่ฆ่ า, าสัตว์ไป ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักครับไม่รุ่ดอเมริกามไม่ปูดโปดไม่ดืม่มลารเมลัต่อมาก็คือเข้าสู่ขั้นของสมาธิสมาธิผมมองเป็นสองรูปแบบนะฮะก็คือสมาธิแบบแรกก็คือสมาธิแบบตามตามรูปแบบก็คือเข้าห้องพระนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็คือกําหนดพุดโทโธหรือยุบหน่อพองหนอหรืออาจจะดูอนามัสจีลมหายใจไปทีนี้พอข้สมาธิเนี่ย ตอนแรกก็อยู่กับลมหายใจเป็นวิตกพิจารณ์อยู่จะได้ปฐมฌานพอผ่านขึ้นมาสั้นระดับหนึ่งก็คือเริ่มนิ่งแล้วก็คือจะเข้าสู่ภาวะที่มีปิตินะครับก็จะเริ่มรู้สึกเอปูปูบ้าบ้ารู้สึกเออ็นหน้าเอ็เนหลังผมมองว่าเป็นฌานที่สองแล้วต่อมาก็คือเป็นสุขบางคนก็น้ำตาเอ่อไหลเอ่ยคอ แล้วก็พอผ่านขั้นสุกไปถึงเป็นเป็นยนัยนที่สาที่มก็คือตติหิชาญพอถึงขั้นนี้ปั๊บเข้าสู่ความเป็นอุเอขาและเพราะว่าเราผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วถึงสุขนะแล้วแล้วมันจะเริ่มสุกจนไม่ไี้จะสุกยังไงแล้วมันก็คือแทบจะเหมือนเหมือนมันปล่อยวางไปแล้วแต่ไม่ได้ปล่อยวางในในขั้นสุดท้ายนะฮะมันถึงเข้าสู่อุเอขาเข้าสู่ชาลที่สี่พอเข้าสู่ชาลที่สี่ได้ปั๊บเนี่ยคือตรงนี้แหละ ที่ใครแล้วแต่ว่าอยากจะต้องการไปทางไหนบางคนติดในความนิ่งติดในความสุขติดในความเพลิดเพลินตรงนี้จนไม่ไปไหนไม่สนานาต่อแต่ดังแต่พอออกจากมาที่ตรงจุดนี้ปับ๊บกลับมาใช้ชีวิตประจาวันก็ยังทะเลาะกับภรรยายัางทะเลาะกับลูกเมียยังทะเลาะกับครอบครัวแสดงว่าที่เราเข้ามาตรงเนี้ยมันไม่ใช่แล้วมันมีอะไรที่ยังติดไกยังอยู่มันไม่ใช่ทุกมันไม่หมดไป ก็ถ้ากลับไปเข้านั่งสมาธิใหม่ผ่านฌานที่สี่ไปเข้าสู่กายว่างเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลก็คืออากาศสารนันเจยานะแล้วก็พอถึงจุดว่ากายว่างเป็นหนึ่งเดียวกับจกาาบักรวาลปั๊บก็พิจารณาต่อว่ากายเราไม่ใช่หรอกนะเป็นจิต เ, เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลก็เข้าสู่วินจารนันจา ย, ยัต น, นะเข้าสู่วิญญาณันจา ย, ยนะได้ถึกเอึ่งับเข้าสู่ภาวะต่อไปก็คืออักขินจัญญาย น, น, นะนะก็กำหนดแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าก็คือกําหนดว่าจะอยู่สามวันหกวันเจ็ดวันแต่ก็คือมีกําหนดสูงสุดแล้วแต่ว่าเพราะว่าตรงส่วนนี้อยู่ก็คืออยู่จริงๆเลยคือในที่นี้ก็คือหมายควาว่ า, วาบางคนปฏิบัติมันอยู่ในถ้ำไม่กินข้าวไม่กินน้ําแต่สามารถอยู่ได้ตรงส่วนนี้ แต่ถ้าเกิดว่าคนอยากจุดนี้ปั๊บไปสู่ในวัดสัญญาณสัญญาณน ะ, ะซึ่งเป็นจุดสูงสุดแล้วของเอ อ, อรมณ์ผมหรือที่บางคนเรียกว่าผมรูปฟักผมเข้าคือผมสมาธิก็ไม่ค่อยต้องบอกว่าอาจารย์ว่าผมเข้านั่งสมาธิไม่ได้แต่ในอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนกับมีคําถามในใจว่าไม่เบื่อหรือไงเป็นผมรูปฟักเนี่ยคือแบบเหมือนยังติดอยู่ในผมรูปฟักเนี่ยไม่เบื่อหรือไง แล้วกชีวิตประจําบันพอออกจากกันเข้าสมาธิมันก็ยังมีคือก็ยังทะเลาะกับลูกเมียอารมยังร้อนโลภกดหลงยังอยู่ยังไม่หายไปเลยแต่ทีนี้ก็คือก็กลับมาฟังซีดีของอาจารย์บ่อยๆก็เลยพราะที่ผมโดนใจก็คือตรงที่เอ่อซีดีเกี่ยวเรื่องขันห้าเอ่อและท่านรู้ซึ่งซีดีตรงนี้จะสอน ถึงเรื่องของขันห้ารูปเวลาปัญญาสังขารและทาตรู้อีกขันหนึ่งซึ่งมาวันนี้พระอาจารย์มาอธิบายเพิ่มเติมก็คือจะมีในส่วนของธาตุจับขันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่พระป่ากล่าวแยกธาตุจักขันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ก็คือว่าที่ในส่วนของขันเอ อ, เอ่อในส่วนขธาตุเนี่ยก็คือรนักไทยเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟ แต่ธาตุหนึ่งที่ส่วนส่วนใหญ่บบไม่ไม่รู้กันก็คือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ก็เป็นธาตุที่ห้าเราใช้ธาตุรู้ของเรานั่นแหละจากการที่เราฝึกฝนสมาธิมาทั้งหมดในาภาพปฏิบัติที่ในห้องห้องพักเนี้ยมาอยู่กับในชีวิตประจำวันให้ได้ก็คือมีสนาธิให้ได้แล้วพอมีสิ่งที่บังเกิดขึ้นเกิดต่อสดธานาของเราก็คือตาหูจมูกลิ้นใจใจอะไรมาสัมผัสอย่างเช่น ที่พาษารย์พูดเป็นภาษาไทยผมเข้าใจเพราะมันไม่มีสัญญาเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวรสัสเซียมาพูดผมไม่เข้าใจเพราะผมไม่มีสัญญาเดิมก็คือไม่รู้ภาษารสัสเซียเหมือนเสียงนกร้องตอนนี้นกอาจจะมีภาษาที่ซึบสื่อกันแต่ผมไม่เข้าใจภาษาของนกเลยไม่สามารถทแยกปีความได้แต่แต่ว่ารู้ไปเฉยๆว่าเสียงนกร้องนะครับแล้วก็เมื่อท้ารู้ทํางานาตามที่เขาเป็นสามสภาพของเขาท้ารู้เห็นขันห้าเห็น ภาพต่างๆทํางานไปจนถึงจุดหนึ่งคือที่พระอาจารย์เก็เบเทียบก็คือลูกโป่งแก้วมันแตกออกเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นควาจะบอกว่าใช้ความว่างาก็คงไม่เชิงเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่มีแสงไม่มีความมืดไม่มีความสว่างแต่สิ่งที่ผมกล่าวนี้ผมรู้เพียงเป็นแปลว่าเป็นปัญญาของพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดมถูกผมแต่จิตของผมยังน้อมนําไปไม่ถึง ผมก็คือจะกลับไปหลัต ก, ก็คือจะเริ่มในการที่อาจารย์บอกเส้นทางผมแล้วผมก็คือจะเดินตามเส้นทางนี้ครับอาจารย์จะกลับไปปฏิบัติอบไรก็คือแบ่งเป็นสองส่วนก็คือว่าคือเนื่องจากผมสมาธิผมยังไม่แก่กล้ายังชานยังไม่แข็งสบัดยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็จะกลับไปด้วยการที่ว่ามีในส่วนของ ถ้าไปฝ่ายก็คือสมาธิในห้องพักก็คงจะทําตามรูปแบบแล้วก็คือมีเวลาที่กําหนดว่าจะเอาวันหนึ่งก็คืออย่างน้อยเท่าไหร่อะไรอย่างไงนะครับแล้วก็จากนี้ในชีวิตประจําวันก็คือให้รู้เห็นเอ่อแ ต, แต่ว่ารู้ด้วยทานรู้ก็คือเห็นความเกิดขึ้นทั้งอยู่ระดับไปรู้แต่ไม่เข้าไปปรุงแต่งอย่างเห็นรู้อารมณ์โกรธทะเลาะกับภรรยาก็รู้ว่าทะเลาะแต่พารู้ปับ๊บมนันวิ่งเหตุว่าความรู้ รู้ในขณะนั้นมันเห็นอารมณ์โกรธแล้วอารมณ์โกรธก็จะกลับไปเองของมันด้วยสภาพที่มันเป็นไตรลักที่มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็คือก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คืออยู่กับท่ารู้หมายถึงว่าสักแต่รู้สักแต่เห็นเข้าใจก็คือสักแตเข้าใ จ, ใจแต่ไม่เข้าไปที่จะเอาความคิดเข้าไปปรุงแต่งโดยเพราะที่อาจารย์สอนว่าเออ่ผมยังติดอยู่ตรงที่ว่าเมื่อก่อนไปนั่งสมาธิเรานิ่ง พอมาวันนี้ทําไมไม่นิ่งเพราะผมไม่ได้อยู่กับอประโยนชน์ในปัจจุบันขณะหรือไม่ได้อยู่กับธรรมชาติหรือไม่อยู่กับธรรมธรรมารลมในปัจจุบันเึ่งตรงนี้ก็คือจะทําให้ผมรู้แล้วว่าคําว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับธรรมารลมอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับธรรมะในปัจจุบันเป็นยังไงอครับคือต้องละเอียดเข้าไปอย่างไปรู้แค่เออเรารู้ลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสเออหรือผลสภาพที่มันกระทบ ก, กาย คือรู้ไอ้ยศนรภายนอกห้าประตูนอกเนี่ยมันจะเป็นการรู้อย่ากคืออันนี้นต้องรู้อยู่แล้วตามธรรมชาติคือมีตาก็ต้องเห็นมีหูก็ต้องได้ยินมีจมูกก็ต้องได้กลิ่นมีลิ้นก็ต้องรู้รสมีกายก็ต้องรู้ท้องผัดแต่ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยทุกขณะปัจจุบันต้องรู้ประตูใจด้วยหรือต้องรู้ประตูใจด้วยมันก็จะขาดประตูมันเี็แต่รู้ประตูนอกอันนี้หลงพ้เรารู้แต่ประตูนอกมันจะหลงเราต้องทุกขณะปัจจุบันต้องรู้ประตูใจด้วยคือ มันมีหกประตูมันต้องรู้ประตูใจด้วยว่าตาเราเห็นรูปใจเราคิดอะไรหูได้ยินเสียงใจเราคิดอะไรจมูกได้กลิ่นใจเราคิดอะไรจินรู้รสใจเราคิดอะไรกายสัมผัสใจเราคิดอะไรแล้วก็พอเราอยู่คนเดียวใจเราคิดอะไรหรือเราไม่ได้คิดต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสต่อสิ่งต่อสิ่งใดๆในในอายาจัภายนอกในที่มันต่างโต่าภายนอกแต่เราเนี่ยเราเห็นอยู่แต่ใจเราคิดอีกอย่างหน่งหรือเรา คิดต่อสิ่งที่มากระทบจากภายนอกจริงๆเช่นเราเห็นรูปแล้วเราคิดกับรูปคิดปรุงแต่งกับรูปไปอย่างไรหรือราอาจจะกระทบรูปนั้นแต่เรากลับไปคิดจากอื่นที่ไม่ใช่รูปในที่เราเรียนนั้นก็ได้หรืออาจเราได้ยินเสียงแล้วก็คิดปุงแต่งต่อเสียงนั้นอย่างไรในขณะสัญญาณที่กระทบแต่อาจจะได้ยินเสียงแต่ไม่ได้คิดต่อเสียงที่กระทบเราอาจจะไปคิดอื่นก็ได้หรือเราได้กินหรือเรากินเรากําลังกินข้าวอยู่เนี่ย เราไปอาจจะคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอาหารรสชาติที่เรากินอยู่ตารเราเห็นอาหารด้วยลิ้นเราก็รู้รสด้วยเราก็อาจจะปรุงแต่งเกี่ยวกับรสชาติอาหารที่เรากินหรืออาจจะเห็นอาหารเราก็ไปปรุงแต่งต่างตาการเห็นอาหารนี่เป็นการรู้ทางตาแต่ถ้าเรากินเข้าไปเราลุกทางลิ้นเรียกว่าเป็นการการู้รสทางลิ้นแล้วในขณะเนี้เราคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอาหารที่เราเห็นทางตาหรือว่าเราในคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรสที่กำลังกินอยู่ในลิ้นว่าโอ้ oh, รสชาตินี้อร่อยจริง เราว่าลราคิดเดียวรสชาติเดียวเรอนหรือว่าเราคิดอยู่แต่เราไปคิดอย่างอื่นเลยเราเห็นอยู่เราคิดอย่างอื่นได้จริงๆเราคิดอย่างอื่นก็เป็นไปได้คือคิดคุงแต่งต่อสิ่งที่มันกระตุนในขณะปัจจุบันหรือไม่ได้คิดคุงแต่งต่อสิ่งที่มันกระตุ้นในวันแต่ในปัจจุบันเราไปคิดอยอื่นอันนี้คือมันคิดทำประตูใจเลยไม่ได้คิดขึ้นมามันคิดแต่ไอ้ธรรมอารมณ์เลยคิดต่อสิ่งที่เรานยจําขึ้นมาเราจำขึ้นมาแล้วเราคิดเราจำไม่ได้แล้วไปคิด แต่ถ้าเราไม่ได้คิดจากความจําเราก็ไอ้ไอ้รูปเนี่ยคิจากความจำเหมือนกันแต่อันนั้นเราคิดขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องเอาไอ้สิ่งที่มากระทบตั้งแ่ต้นตากุญแจของจิตใมาไป็นส่วนร่อแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้คิดต่อสิ่งที่มันกระทบในปันจันทร์แต่เราเอาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วขึ้นมาคิดคือรูปคนที่ผ่านไปแล้วเอาเสียงคนเอาเสียงที่ผ่านไปแล้วเอาควาคิดที่ผ่านไปแล้วเอาที่เราคิดผ่านไปแล้วมาเช้านี้เอาที่วันเขาผ่านเราผ่านไปแล้วเอาอความรู้สึกและจิตอารมณ์ที่มันผ่านไปแล้วเสร็จโอ้โหมาเช้ามาวจันทร์มาบดี มัน เ, เป็นทำอารมณ์ของเมื่อวานนี้แต่เรามันเอากลับมาคิดในปัจจุบันมันก็เป็นเป็นทำอารมณ์ในปัจจุบันคือเอาทีา่คิดในอดีตแต่มาคิในปัจจุบันแต่ถ้าเราปัจจุบันเรากลับเพิ่มความไปด่ดีในอดีตจริงๆคือเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราบอกว่าไอ้กิริยาอาการผิดเป็นสัตเราไม่ชอบเราไป่ชอบใจที่เป็นของแอดีตเรื่องนี้เปความหลงแต่ถ้าเราเนี่ยเรารู้ว่าไอ้เรือ่องปัจจุบันเมื่ออดีตเมื่อเมื่อวานเนี่ยใจเราปฏิบัติงาน แล้วเราเอามาคิดพิจารณาคบตัวในปัจจุบันแล้วเราก็ปฏิบัติตามเหตุก็ทำเหตุอย่างนี้ปฏิเสธอย่างเมื่อวานอย่างนี้มันเป็นปัจจุบันคือมันกลายเป็นรู้ปัจจุบันและวใช้สติปัญญามาคิดค้นิจาและปฏิบัติในปัจจุบันอย่างนี้มันเป็นหลงแต่ถ้าเราไม่ยอมรับสาสภาว่าเราจะเราบปิดกุ้งกรรมสภาพว่าทุกขิเในปัจจุบันเพราะว่าเราอยากได้สิที่สงบแต่เราไม่ได้นำมาคิดพิจารณาและทาเห็ุในปัจจุบันให้มันเป็นความสงบใจอย่างแน่นออันนี้เป็นความหลง เข้าใจไหมเนี่ย